โรหิตจึงกล่าวว่าถ้ากันนั้นขอให้นางกุมารีคนนี้แหละไปจะได้เป็นสวัสดิมงคลแก่เธอออนี่เจาะจงเลยนะว่าขอให้อเนียไอส้สะพายของลูกชายเศรษฐีเนี่ยเป็นคนเข้าไปดีกว่าจะได้บุญนะเพราะว่าได้ได้ ไ, ด ไ, ดได้ทำบุญไงได้เข้าไปช่วยกูดุมพีนั้นคิดเห็นเช่นนั้นแล้วชายผู้นั้นพูดถูก นะสวัสดีมงคลจะมีแก่สะพ้ายของเราเป็นแน่และด้วยด้วยอันนี้เองอนะด้วยนิมิตนี้สะพ้ายของเราจะเจริญด้วยบุตรและธิดานะจริงๆแล้วนี่เขาหวังดีนะเขาหวังเออไปช่วยคนแล้วก็ได้บุญได้กุศลใช่ไหมเออจะทําให้ได้มีอะไรอะ่ะมีลูกมีหลานหรือว่าได้เจริญได้ปลอดภัย กุดุมพีคิดแล้วจึงส่งนางกุมารีคนนั้นเข้าไปนางกุมารีนั้นพอเข้าไปในม่านพอเห็นรูปโฉมอันสง่างามของพระเจ้ากินนอนเข้าก็เกิดรักใคร่ <c oughs> เอาเพราะตั้งแต่ต้นเรื่องมาแล้วนะบอกว่าพระเจ้ากินนอนนี่หล่อมากพ อ, อสภัยของเศรษฐีนี่โอ้โหเข้าไปเห็นโอ้โหหล่อมากมาก แลวจริงๆนะผู้หญิงจานวนมากเลยที่ชอบไงจะว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายก็ชอบผู้หญิงสวยๆใช่อ่มผู้หญิงก็ชอบผู้ชายรอรอเพราะฉะนั้นไปเห็นเนี่ย ผ, ผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามที่ผู้อ ง, ง่ายว่าติดหยุดแค่ไอ้รูปโฉมโนมพันุ์พวกนี้ทันทีอ่ะส่วนใหญ่นี่จะรักจะชอบทันทีเลยถ้าไม่ใช่คนที่ มีสติปัญญาหรือว่าอะไรอ่ะมีคุณธรรมมีความดีอะไระป้องกันหรือว่าประจำใจแล้วส่วนใหญ่รับรองยิ่งเดียเ๋ยวนียเห็นได้ง่ายเลยเพราะว่าไอ้วัฒนธรรมหรือว่าอะไรของฝรั่งมังค่าอะไรพวกนี้คุณดูสิแค่เห็นกันเท่านั้นเองเดี๋ยวแป๊บเดียวมันได้เสียกันละแล้วก็อะไรแล้วมันก็ต่างคนต่างแยก ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะโอ้โหเป็นอย่างไนจริงชาดกเรื่องนี้เหมือนฝรั่งเปี้ยะเลเหมือนเปี้ยะเลยนะแต่นี่มันมีมาตั้งนานแล้วนะนี่ให้เห็นว่าเนี่ยแหละรจริงๆมันแสดงถึงลักษณะของออกามราคะหรือจิตที่มันมีความใคร่อยากในเรื่องกามเนี่ยเห็นแต่ไอ้ไอ้ภายนอกนี่ก็จะยินดีพอใจละนะแล้วก็พูดง่ายว่าประพฤติได้เสียกันเลย อันนี้ก็เหมือนกันจริงๆนะนี่นางสะพยคนนี้กําลังจะไปเข้าหอกับลูกชายเศรษฐีนะนี่พอเจออย่างนี้เข้าก็เกิดรักไข่จึงได้ประพฤกษ์ลามกด้วยกันนางกลับกับพระราชาปลอมตัวเนี่ยจากนั้นพระราชาทรงถอดพระธรรมรงค์พระราชทานให้คือคือไหนๆก็ได้เสียก็ไปแล้วพระราชานี่ยังอุตสาหอะไรนะ ใจดีนะอถอดพระธรรมมลงให้ธรรมาลงก็คือแหวนซึ่งขนาดพระราชาใส่นี่ก็ต้องมีค่ามีราคาแน่นอนเสร็จแล้วนางกุมารีนั้นก็กลับไปที่ที่ยานะ่ะที่เกวียนของนางคือคือพอพูดง่ายๆว่าก็เหมือนกับมาช่วยเรียบร้อยแล้วก็กลับไม่รู้ช่วยอะไระเพราะว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงท้องแก่แล้ว ชนทั้งหลายก็ถามว่าหมายถึงว่าพวกบริวารอะไรต่างๆก็ถามว่าเขาคลอดลูกเป็นชายหรือหญิง <c oughs> นางก็ตอบว่าเป็นชายนางงามเหมือนดังทองเขาบอกว่าคลอดเนี่ยว่าเด็กเนี่ยคลอดเป็นชายหรือว่าหญิงพอคิด่าเข้าไปช่วยทำคลอดนี่พอออกมาก็บอกว่าเป็นผู้ชาย แมผิวพรรณงามเหมือนอย่างกระทองคําเลยกุดุมพีก็พานางกุมารีนั้นไปก็พาเดินทางต่อฝ่ายปุโรหิตก็กลับมาเข้าเฝ้าพระเจ้ากินนอนแล้วก็กราบทูลว่าพระองค์ได้ทอดพระเนตรแล้วหรือยังว่านางกุมารีรุ่นสาวก็ยังรามกถึงเพียงนี้ก็จะภาษาอะไรถึงหญิงพวกอื่นๆเล่าอ้อ พระ อ, องค์ประทานอะไรแก่นางไปบ้างหรือไม่ถามถามเลยนะอามานี่บอก แ, แ้วแหมเฉลียวฉลาดพระเจ้ากินนอนตรัสว่าเราให้แหวนที่ติดนิ้วมือแก่นางไปหนึ่งวงปุโรหิต จ, จึงทูลว่าพระ อ, องค์ประทานมันทำไมว่าแล้วก็วิ่งไปที่ <c oughs> ที่ยานนั้นนะ่ะที่ที่นางกุมารีนั่นนะ่ะนั่งอยู่ ขันคนทั้งหลายถามว่าอะไรกันนาะถามอามาตอามาตก็ตอบว่านางกุมาลีคนนี้หยิบอาแหวนที่วางไว้ข้างศรีรษะของนางพรามณีภรรยาของข้ามาขอแหวนให้ข้าเถิดแม่ขอคืน <c oughs> โอ้ไม่ยอมไม่ยอมให้ไปทำไมถึงไม่ยอมให้ไปเออเป็นหลักฐานบอกเรามันไม่ใช่แหวนธรรมดานะสำหรับพระราชาเพราะนั้นอามาตนี่ไม่ยอม นางกุมานางกุมารีก็ยื่นม <popular> ือออกมาจากจากม่านเนี่ยเพราะว่าเขานั่งอยู่ในยานเนี่ยจะมีที่บังเอาไว้นายื่นยื่นมือออกมาอ่าหยิกมือปุโรหิตแล้วก็ตะคอกว่าตาโจรเอาของของแกไปเถิดก็รู้กันใช่ไหมอันนี้รู้กันคนอื่นอาจจะไม่รู้นะเด็กว่าแหมห่วงอย่างเนี้ยไม่ยอมให้เลยแล้วก็ว่าว่า อมาเนี่ยเนี่ยโจรเอาของคืนไปแล้วก็ส่งแหวนคืนให้ต่อจากนั้นปุโปรโหิตรสำแดงหญิงที่ประพฤตินอกใจสามีอีกหลายคนถวายให้พระเจ้ากินนอนด้วยอุบายต่างๆมากมายคือพูดง่ายๆก็เดินทางไปเรื่อยเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าไปทําเพื่อให้พระเจ้ากินนอน้เห็นว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เลย น้ำเนี่ยมีจิตรักไครในกามในราคะในอะไรพวกเนี่ยนะมีมายามากเนี่ยเหมือนกับท่าน้ําอำที่ยุ่งกับบุรุษไหนก็ได้เพราะนั้นเนี่ยพระราชาก็เห็นมาเรื่อยเห็นมาเรื่อยจนกระทั่งนะจนกระทั่งขอพระราชทานที่นี่เท่านี้ก็พอแล้วคือพอมาถึงที่จนเรียกว่าคิดว่าน่าจะพอแล้วก็เลย บอกกับพระราชาว่าถึงที่นี่เท่านี้ก็น่าจะพอแล้วขอเชิญเสด็จไปที่อื่นบ้างเถิดพระเจ้ากินนอนจึงตรัสว่าถึงจะเที่ยวไปให้ทั่วชมภูทวีปหญิงทั้งปวงก็จะเป็นเช่นเดียวกันหมดตอนนี้พระราชาเริ่มสรุปอย่างอมาดแล้วนะเราจะต้องการดูอะไรอีกเล่ากลับกันเถิดตรัสแล้วก็เสด็จกลับเมืองพระนสีดันงนี้เอง ปุโรหิตจึงทูลขอประทานพระราชทานอภัยโทษนางกินารีว่าขึ้นชื่อว่าหญิงทั้งหลายแล้วย่อมรามกอย่างนี้ปกติของเขาก็เป็นอย่างนี้เองพระองค์ทรงงดโทษนางกินารีเสียเถิดพระเจ้ากินนอนก็ทรงยกโทษให้รับสั่งให้ไร่ไปเสียจากพระราชนิเวศเมื่อทรงขับไล่จากตำแหน่งแล้วก็ทรงตั้งหญิงอื่นเป็นอัครมหสี แล้วรับสั่งให้ไร่บุรุษเปี้ยจากไปเสียจากที่นั้นและให้ตัดกิ่งต้นว่าทิ้งไปเสียนต้นว่านี่พลอยสวยไปด้วยเลยทั้งทั้งที่มันอยู่ของมันนะแต่ว่ามันเป็นทางนะเป็นทางที่จะปีน ล, ลงมาได้ก็เลยต้องให้ตัดทำไมต้องให้ตัดเพราะตอนนี้พระราชาเป็นยังไงละเ <_ un> ชื่อว่าผู้หญิงทั้งหมดเป็นเหมือนกันหมด พันต่อให้ตั้งใครมาเป็นมหาสีอีกก็เออก็สามารถปีนได้เหมือนกันเพราะงั้นก็เลยต้องตัดต้นว่าทิ้งซึ่งในขราวนี้นะพูดตอนนี้สรุปแล้วนะพญาโน ก, กุนาละนี่สรุปสรุปเรื่องเนี้ว่าซึ่งในขราวนั้นเราเกิดเป็นปัญจาระจันทปุโรหิตจึงนำเหตุที่ตนเคยเห็นแล้วมาแสดงให้ท่านฟัง หมายถึงว่าให้พญานกบุญนำบุคขาฟังเรื่องเรื่องชาดกเรื่องนี้ที่เล่าไปแสดงว่าจริงๆแล้ว อ, อดีตของพญานกกุณาระก็คืออัมมาศคนนั้นนั่นเองนาะที่ที่ทำให้พระราชาได้รู้ว่าเนี้ยผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้แหละสรุปว่านะตอนนี้พญานกกุณาระนะสรุปว่าบัณฑิต ได้เห็นแล้วซึ่งเรื่องราวของพระเจ้ากินนอนและนางกินนรีก็พึงรู้เถิดว่าหญิงทั้งปวงย่อมไม่ยินดีในเรือนสามีของตนภรรยาไปเห็นบุรุษอื่นแม้เป็นง่อยเปี้ยยังทิ้งเสียได้ซึ่งสามีรูปงามอย่างกับพระเจ้ากินนอนแล้วไปกระทำกรรมอันเป็นบาปกับมนุษย์เปรตนั้นได้อันนี้เป็นเป็นการสรุปเรื่อง เรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วเนี่ยเขาเปรียบไปหลายๆมุมนะอย่างแรกก็คือเปรียบดูซิเรื่องของกามเนี่ยขาดอับประรักก็กลายเป็นเห็นดีเห็นงามไปได้สำหรับนางกิ น, นรีนะเนี่ยไปยุ่งกับบุรุษเปี้ยได้อันนั้นนะโอ้โหหนักมากเลยยากมากหนักมากอันนี้ยายัายางไงนะยา คิดแบบง่ายๆนะเพราะอันนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่ารสเยี่ยมใครรสเยี่ยมมันหรือวิบากกรรมของใครที่สะสมมาของใครของคนนั้นนั้นบางทีเรานึกไม่ถึงหรอกว่าโอ้โหเรื่องนี้จะเป็นไปได้เหรออย่างเงี้ยแต่เป็นไปได้จริงๆซึ่งซึ่งหลายอย่างบางทีเรานึกอะไรนะคนหน้าตาหล่อหลอสวยๆเขาก็น่าคู่กันใช่ห ไอคนอัปลักษอัปลักษ์ก็คู่กันกับอับปลักษ์คือเขาคิดตามตามอะไรนะตามง่ายๆอะ่ะเออก็คิดว่าเออมันก็มันควรจะเหมาะกันอย่างนี้แต่ความจริงของชีวิตแล้วก็วิบากรรมมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยส่วนดูซี่สะพายของกุดุมพีคนนั้นเห็นไหมโอ้โหพอเห็นเ อ, อพระราชากินนอนโอ้โหรูปงามเขาก็ยอมเลยยุ่งเกี่ยวด้วยเลยเห็นไหม ผู้หญิงที่เห็นคนรูปงามแล้วก็ยุ่งด้วยก็มีผู้หญิงที่เห็นคนง่อยเปี้ยแล้วก็ยังยุ่งด้วยก็มีวันนี่เขาเปรียบเขาเปรียบทั้งสองอย่างเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าผู้หญิงเปรียบเหมือนกับท่านา้าใช่ไหอคนที่สูงสักเป็นแบบพระราชาโอโ้ทั้งรอด้วยนะ่ะยุ่งด้วยก็ได้หรือแม้ คนที่โอ้โหตําเตี้ยพิกลพิการอัปลักษ์ยากจนคนแค้นอาศัยอยู่ใต้ต้นว่านางกิ น, นรีก็ยังยุ่งได้ไดคือให้เห็นว่าเนี่ยเหมือนคำว่าท่าน้ำที่ใครๆก็สามารถลงไปอาบน้ำได้ที่ท่านี้นี่คือการเปรียบอืมเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อไป ดูกนสหายปุณณบุคคเอย๋ยเรื่องอื่นยังมีอีกอเริ่มแล้วคราวนีนะ้เรื่องใหม่ละในอดีตการพระเจ้ากรุงพระนศีทรงพระนามว่าภระกะนะชื่อแค่สองพยางพระก ะ, สะเสด็จทรงราชโดยธรรมยังมีหญิงชื่อปัญจปาปีนะผู้หญิงคนนึงชื่อปัญจปาปีเป็นธิดาของคนยากไร้ คนหนึ่งดูนะคนหนึ่งเป็นพระราชานะอีกคนมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นลูกของคนจนซึ่งอยู่ในบ้านข้างประตูวังด้านตะวันออกของเมืองพราราสีซึ่งนางเคยมีชาติก่อนเป็นเป็นลูกสาวะของคนยากจนเช่นกันนางนั่งขยําดินทาฝาเรือนอยู่เวลาเขาสร้างบ้านนะ่ยใช่ไหม เขาจะเอาบางทีดินโคลนหรือไม่ก็บางทีขี้วัวเอามาผสมแล้วก็เอามาทำผนังบ้านเวลานั้นมีพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนะคำนึงว่าจักหาดินละเอียดที่ไหนหนอมาฉาบทาฝาที่อยู่อาศัยขันตกลงใจว่าอาจหาได้ในเมืองพราณีดังนี้ จึงห่มคลุมถือบาทเข้าไปในเมืองพอดีได้พบเข้ากับหญิงนั้นนางแรเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าแรดูดินที่นางขยําอยู่ก็นึกโกรธจึงพูดขึ้นด้วยใจพูดด้วยจิตใจที่เร็วร้ายจริงๆเออเพราะปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้ยกาลังขยําดินอยู่ทาบ้านทําผนังบ้านอยู่เนี่ยจริงๆมองดูอย่างเงี้ยถ้าไปยืนดูอย่างนี้มันน่าจะเข้าใจได้ว่างยังไง แสดงว่าสนใจหรือว่าใส่ใจหรือว่าอาจจะอยากได้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าพุทพระประเจกับพระเจ้ายังไม่ได้พูดอะไรก็ยืนดูเฉยๆอยู่แต่พอผู้หญิงคนนี้เห็นมาดูงี้ปับ๊บคิดในทางไม่ดีละคิดในทางร้ายไว้ก่อนเลยพูดง่ายว่าบอกว่าเนียจะขอเหรอบอกดีเนี่ยจะขอเหรอพระประเจกับพระเจ้าก็นิ่งนะนิ่งเฉยเสียไม่ได้พูดอะไร นางเห็นพระประเจกับพระเจ้าไม่ได้หวั่นไหวก็เกิดมีใจเลื่อมใสเพราะว่าพูดง่ายว่าเหมือนกับ ว, ว่าไปแล้วเหมือนกับอยากจะได้ยงไงอะไรอย่างเงี้ยนะพอพอเห็นว่าเอ๊พูดไปแล้วเนี่ยเอ๊พระพรูปนี้นี่สงบสงบเยี่ยมเฉยเฉยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรก็เลยชักจะเลื่อมใสจึงกล่าวว่าสมณะท่านอยากได้ดินเหนียวหรือหรือว่า เออพูดง่ายก็เลยขานิทานดีดีแล้วว่าท่านอยากได้ดินเหนียวหรือว่าแล้วก็ยกดินเหนียวก้อนใหญ่นะใส่ลงในบาทเราก็ถือบาทมาบินทบาทนะนะโอ้ว่าเราจะไปใส่ที่ไหนก็เลยใส่ในบาทให้เลยพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็เอาไปฉาบทาฝาที่อาศัยนั่น ก, ก็จริงอะ่ะเพียงแต่ว่าไม่พูด นะแต่ว่าแสดงอาการให้รู้ว่าอยากจะได้ดินแต่ว่าไม่พูดเพราะฉะนั้นอานางคนนี้ก็รู้อะว่าใช่แน่แต่ตอนแรกคิดไม่ดีไงคิดไม่ดีมันก็หวงอ่ะไม่อยากให้ก็เลยเหมือนกับว่าไปแต่พอว่าไปแล้วว่าไปแล้วเออไม่เถียงฮนะสงบส ง, งยมดีก็เลยชักชักได้สติก็เลยเปลี่ยนใจก็เลยคราวนี้ ไม่เพียงแต่หวงไม่ให้เท่นะ้นคราวนี้นนเลยให้ไปซะเยอะเลยนะพระปเจกับผู้เจ้าก็เลยไปใช้ทําผนังได้ด้วยผลที่ได้ถวายดินเหนียวในชาตินี้นางจึงมีร่างกายประกอบไปด้วยสัมผัสดียิ่งนักไม่รู้อ่านแค่นี้เข้าใจไหมอ่หมายถึงว่าอาจจะไม่ต้องสวยก็ได้อ่าดูดูเดี๋ยวอ่านต่อไปอีกหน่อย ในชาตินี้นางจึงมีร่างกายนประกอบด้วยสัมผัสดียิ่งนักแต่เพราะพิบัติที่แรดูพระประเจกับเพื่อเจ้าด้วยความโกรธมือเท้าปากตาจมูกห้าแห่งจึงวิกลวิปริตไปดังนั้นเขาจึงพากันตั้งชื่อให้นางว่านางปัญจะปาปีปัญจะนี่ก็คือห้านะปาปีนี่ไม่รู้อะไร ไม่รู้บาปหรือเปล่าปาปะเนี่ยปลาปะนี่ก็คือบาปหมายถึงว่ามันมันเลวมันชั่วไงเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างมีมือมีเท้ามีปากมีตามีจมูกพูดง่ายว่าอปรรักนั่นเองน่าเกลียดอมีอยู่มือเท้ามืออาจจะยังไงมือเท้าอาจจะไม่รู้แปะหรือเปล่าไม่รู้มือหงิกแล้วโอ้โหมือหงิกมันเกิดมาหรือเปล่า เออมือแปรก็พอแล้วนะเสร็จแล้วปากอาจจะอะไรเอออาจจะเบี้ยวเอ่อหรือตาโตาเขเเลยเหร อ, อเสร็จแล้วจะมูกจะมูกอาจจะแบนเหรอเอ่ฮะเอาละให้รู้ว่าห้าอย่างเนี่ยมันน่าเกลียดอัปลักเพียงแต่ว่ามีอยู่อย่างเดียวคือสัมผัสดีหมายถึงว่า หมายถึงว่ า, าผิวพันธุ์หรือว่าถ้าใครมาแตะต้องมาถูกเนื้อตัวเนี่ยโอ้โหจะรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะอันนี้หมายถึงว่าสัมผัสดีคือถ้าใครมาแตะโดนแล้วก็โอ้โหจะชอบใจนะป่วยง่ายน ะ, ะส่วนที่ได้บุญหมายถึงว่าเพราะอะไรเพราะถวายดินไปอ่า นะแล้ ว, แ ล, ว, แ, ล ว, แ, ลวแล้วที่ได้บุญโดยด้านที่สัมผัสดีเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ดินเนี่ยเขาต้องเขาต้องขยำเขาต้องอะไรอะ่ะต้องปั้นต้องอะไรมาใช่กว่ามันจะเอาไปใช้ได้แล้วก็ถาวายพระประเจ ก, กับพระเจ้าไปเพราะนั้นก็เลยได้บุญแบบได้สัมผัสดีงั้นถ้าใครอยากจะเสียงดีก็ต้องทำบุญด้วยการนะพูดแบบตรงๆอะ่ะนะทบุญด้วยการไง ถ้าอยากให้เสียงดออีก็ต้องพูดกับคนอยู่ก็ดีๆหน่อยสิพูดไพราะออพูด อ, อ้อนน้อมพูดอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้ที่เหตุที่5อย่างนั้นนะ่ะที่ไม่ดีแล้วก็อับปลักเพราะความโกรธแล้ว ก, การที่อะไรอะคูตะคอกพระประเจกับผู้เจ้าไปแทนที่จะพูดดีๆนะอันนี้ก็เลยพูดง่ายมีทั้งบุญแล้มีทั้งบาป เพราะทุกในเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันมีผลใช่ไหมถ้าทาบุญไปก็ได้ผลระบุญทาบาปไปก็ได้ผลบาปเพราะนั้นใครที่ทำอะไรไปแล้วมันก็ได้ตามนั้นส่วนที่เป็นบุญก็คือบุญส่วนที่เป็นบาปก็คือบาปรานอยากคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราทำอะไรไปแล้วเราคิดว่าเราได้แต่บุญใช่ไหมส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ส่วนที่เราทาไม่ดีไปเนี่ยบาปเรามักไม่คิดถึงแต่ในสัจจะในความเป็นจริงของมันไม่เลย นะบาปมันก็มาของมันบุญมันก็มาของมันนะนางคนนี้นางคนนี้ชื่อปัญจปาปีตอนนี้วันหนึ่งพระเจ้ากรุงพระราสีทรงปลอมพระองค์เที่ยวตรวจพร ะ, พระนครถึงประตูเมืองด้านตะวันออกเนี่ย ท, ท, ที่ที่นางคนนี้อยู่นะนางปัญจปาปีเล่นอยู่กับนางธาริกาเพื่อนบ้านไม่รู้จักพระเจ้าพระราสี ก็เอามือไปคว้าพหัตเข้านั่นคือพอดีอ่ะปลอมตัวมาสเสด็จประพาตอะไอย่างเงี้นางคนนี้ไม่รู้เรื่องด้วยนะก็เล่นอยู่กับเด็กผู้หญิงคนอื่นน่ะเล่นอยู่เสร็จเจอพระราชาปลอมนี่ผ่านมาก็เลยจริงๆพระราชาจริงแต่ปลอมตัวแหมพูดพระราชาปลอมเลยเดี๋ยวกลายเป็นพระราชาไม่จริงอืมแล้วพอผ่านมาก็เลย บังเอิญเนี่ยก็ไปคว้าถูกมือของพระราชาเขาพระเจ้าพนาศีถูกสัมผัสมือของนางปัญจป า, าปีก็ำลำรงสติไว้ไม่อยู่โอ้เหลือเกินเป็นคนที่พูดง่ายๆว่ามีสัมผัสดีใช่ไหมไปแตะไปต้องไปถูกอะไรเข้าโอ้โหไฟฟ้าช็อตไอ้ไฟฟ้าชอ็อตก็สวยสี่คนนั้นนะไฟฟ้าช็อตนี่สลบอันนี้มันไม่ใช่ไฟฟ้าช็อตสิ เออพอไปโดนแล้วเป็นไงโอ้ยินดีพอใจเลยอ่ะเนี่ยเรียกว่าควบคุมสติไม่ได้นะัพระราชาเนี่ยดุดดังสัมผัสทิพย์เกิดกำนัดยินดีในสัมผัสยิ่งนักคุยง่ายว่าโอ้โหพอใจมากเลยนะครับนางบัญจาปา ป, ปีมาแตะเนื้อต้องตัวพระราชาพระราชารู้สึกคุยง่ายว่าโอ้โหเป็นความสุขมากเลย ที่ ท, ที่นางปัญจาปาปีมามาจับโดนมือของพระราชาเข้านะเกิดความรู้สึกยินดีพอใจมากๆจึงเอาพระหัตจับนางปัญจาปาปีซึ่งมีรูปวิกลถึงปานนั้นเอาไว้โอ้พอใจมากจนถึงกับคราวนี้ตอนแรกเนี่ยนางปัญจาปาปีจับพระราชาพระราชาบอกโอ้โหมีความสุขมากเลยคราวนี้เลย คว้านางปัญจาปาปีไว้เลยแล้วก็ตรัสถามว่าเจ้าเป็นลูกสาวของใครคั้นนางตอบว่าเป็นลูกสาวชาวบ้านที่อยู่ข้างประตูเมืองจึงทรงสักถามได้ความว่ายังไม่มีสามีน้นก็ตรัสว่าเรานี่แหละจะเป็นสามีของเจ้าเจ้าจงไปขออนุญาตต่อบิดามารดาเสียโอ้อยากได้เป็นภรรยาเลย นี่นี่ก็เหมือนเรื่องเรื่องที่แล้วนะแต่ขราวที่แล้วเนะี่ยมันนางกินรีใช่ไหมที่ไปชอบบุรุดง่อยเปยี้ยบุรุดง่อยเปียนั้นะไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสเลยนะอ่อนะอย่างนั้นไปชอบแต่คราวนี้นางปัญจาปาปีนี่เป็นผู้หญิงแต่มีสัมผัสพิเศษที่ทำให้ใครไปสัมผัสถูกแล้วก็โอ้โหต้องรักใครต้องยินดีพอใจนี่พระราชานิเสรไปหนึ่งละ ล้วพอใจเลยอยากจะแต่งงานด้วยนางปัญจา ป, ปาปีก็กลับบ้านเข้าไปหาบิดาบารดาแล้วบอกว่ามีชายคนหนึ่งเขาต้องการข้าบิดามารดาคิดเห็นว่าชายคนนั้นเห็นจะไม่ใช่คนยากจนเข็นใจแน่จึงกล่าวว่าถ้าเขาอยากได้คนอย่างเองก็ดีแล้วโอนางจึงกลับมาบอกว่า บิดามารดาอนุญาตแล้วพระเจ้ากรุงพระณสีจึงอยู่กับนางปัญจะป่าปีที่เรือนนั้นอ้อไม่ได้กับวังอยู่ที่เรือนนั่นแหละจนรุ่งเช้าจึงเสด็จกับพระราชนิเวศตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าพระณสีก็ทรงปลอมพระองค์ไปหานางปัญจะป่าปีเสมอเสมอไม่ทรงปรารถนาจะเหลียวแร่หญิงคนอื่นอีกเลยอะไรมันจะขนาดนั้นเนยลหะ หลงไหลเลยนะถ้าอย่างนี้ถือว่าหลงไหลอันนี้จะให้เห็นนะในเรื่องนี้อาตมาจะฝากตรงนี้ไว้ว่าให้เห็นถึงเรื่องว่าคราวนี้ไม่เกี่ยวกับรูปร่างไม่เกี่ยวกับหน้าตาอะไรให้เห็นว่าคนที่ติดในกามเนี่ยหรือในราคะมากๆสุดท้ายจะมาติดที่การสัมผัสจะมาติดกันที่เรื่องของการสัมผัสแตะต้องเนื้อตัวหรือว่าอะไรต่างๆ นะไม่ใช่เพราะยังรักในรูปร่างหรืออะไรต่างๆที่ที่ที่แบบว่าหน้าตาหรือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรไอ้นั่นนะไปไปม า, ม, า, ม, ามันชักจะเป็นรองไปเรื่อยแต่ที่สามีภรรยาหรือคนที่เข้าไปเป็นคู่ครองกันที่จะหอบผวงเราจะติดยึดกันที่สุดไปไปมา ม, ามาัจะอยู่ที่เรื่องของการสัมผัสแตะต้องละ ว, ว่าโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยแม้ว่าบางทีนี่จะโกรธกันบางคนนะ โกรธกันด่ากันอย่างงอนอย่างงี้ในที่สุดหายโกรธได้ตอนที่มานอนด้วยกันนี่แหละเนี่ยมาอาศัยไอ้เรื่องสัมผัสแตะต้องนี้จุ่งเกี่ยวกันเอ้าคลายได้บางคนเใช่ไหมโกรธกันอะไรโกรธกันโกรธกันหนักโกรธกันหนาแต่อู้ลูกดกเหลือเกินบางคนน่ยด่ากันจังเลยทะเลาะกันจังเลยแต่อู้ลูกเป็นโหลเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเมันจะมาตกอยู่ที่ไอ การสัมผัสแตะต้องเแล้วบางคนเนี่ยเลิกเรื่อง พ, พวกนี้ไม่ได้ผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามเลิกเรื่องพวกนี้ไม่ได้ตัดใจไม่ขาดเพราะเรื่องของการสัมผัสแตะต้องที่ในที่สุดแล้วโอ้โหไปไม่รอดอาตมาขอบพูดสุดท้ายอะ่ะแม้แต่ต่อให้มาเป็นนักบวชเนี่ยมาเป็นนักบวชแล้วโอ้โหพยายามบำเพ็ญพยายามประพฤติลดละการมราคะอะไรต่าง แต่บางทีแมนยังมีความสงจำมีสัญญาไม่ไปยุ่งนะบางทีไม่ไ ป, ปพื้นผิดไม่ไปปราชิกไม่ไปยุ่งอะไรกับใครเขาที่ไหนแต่บางทียังหนีไม่พ้นเลยบางทียังทำกับตัวเองใช่ไหมบางทีเนี่ยเพราะเสียสีเพราะสัมผัสเพราะอะไรไม่ได้ไปยุ่งกับใครนะแต่กับตัวเองนี่นี่ก็ยังเป็นอาบัตเลยเป็นความผิดถ้าถึงขั้นหนักก็สังคติเศส อันนี้ตัดตัดประชิกออกไปนะถ้าเป็นขั้นหนักที่ที่เรียกว่ายังเป็นนักบวชได้อยู่อันนี้ก็เป็นสังฆธิเสธถือว่าเป็นอาบัติหนักแล้วก็ยังผิดได้นะอันนี้สรุปฝากตรงนี้ไว้แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยต่อแล้วกัน<ม>อ่าวันนี้คงพอเท่านี้ก่อน